อ่าฮออะา น, า น, นั่นเป็นสำนวนการแปลบางสำนวนก็บอกในโลกไหนๆทั้งสิ้นก็คื อ, อโลกใดที่มีการเกิดปรากฏอ่ะคนนี้จะไม่ไปเกิดในที่นั้นนะเพราะการมาไปไม่มีนะไม่มีตัณหาเข้าไปยึดถือซึ่งพบนะอย่างนี้ กติสนที่ยอมหมายถึงอะไรอ่ะสัตว์ในคันอย่างเดียวเหรอระบบการเกิดผู้เจ้ามีต้องหลายระบบเนี่ยผุดขึ้นมาเองเป็นตัวเฉยๆก็ได้ใช่มหมย่ยมไปนึกแต่มนุษย์กับสัตว์อย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ในโลกทั้งสองในโลกไหนๆแตมาบอกว่าเขาเขียนในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง อ่าใช่ไหมอันนั้นเป็นสัมนวนหนึ่งในระหว่างเชนะ่นว่าอย่างเนวสัญญานาสัญญาจตนะสัญญามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ระหว่างก้ามกึ่งเนี่ยยังเป็นภพอีกภพหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้อืการรับเงินผู้เจ้าจัดอย่างนี้อันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินงอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกยะปาจิตตี ภิกษุเนี่ยรับเงินทองเนี่ยต้องอบัติป จ, จิตีเงินทองเป็นนิสกีโยมก็ชอบจะยื่นเงินให้พระนี่เห็นไหมมันก็ผิดแ่บนะพระก็ผิดใช่ไหมอะไรที่พระเจ้าบอกอย่าให้โยมก็ดันไปให้ใช่ไหมอะไรที่บอกว่ายื่นได้รับได้โยมก็ไม่ทำใช่ไหมใส่บาตรผู้เจ้าไม่ได้บอกให้ถอดรองเท้าโยมก็ขยันถอดรองเท้าแต่ฟังธรรมผู้เจ้าบอกต้องถอดรองเท้าโยมไม่ถอดกันสักคนหนึ่งนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้บัญญัติพระศาสดาเข้าใจไหม อโยองไปดูสินั่งในงานศพนั่งในห้องประชุมมมีใครถอดรองเท้ามั่งฝั่งทำไม่มีใครถอดเลยแต่ผู้เจ้าบอกภิกษุนะถ้าญาติโยมใส่รองเท้าสวมเขียงเท้าถือไม้พลองถือสาัตตาถืออาวุธใส่หมวกกางล่มนะอย่าแสดงทําให้เห็นไหมอ่าไม่เหมาะสมเ้าเนี่ยรับผู้เจ้าเนี่ยรู้อาการจิตของคนแบบนั้นว่าธรรมะไม่เข้าใช่ไหม แล้วยมแสดงธรรมกับคนถืออาวุธเดี๋ยวมันก็ชักปืนยิงโป้ ง, งไม่พอใจ <laughs> ตายพอดี <laughs> ใช่ไหม <laughs> นั่นเขาถืออาวุธอย่าไปแสดงธรรมให้ <c oughs> เขานอนอยู่เรานั่งอยู่อย่าแสดงธรรมให้อันนี้นอนสบายเราพัก็แสดงธรรมไปเออแสดงไปใช่ไหม <c oughs> ไม่มีจิตใจพร้อมที่จะรับฟังธรรมใช่ไหมเรารู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ไหมล่ะผู้เจ้าเนี่ยรู้ใช่ไหม เราไม่มีภูมิตรงนี้ไงเพราะฉะ น, นั้นผู้เจ้าที่บัญญัติไว้เนี่ยเพราะผู้เจ้ารู้ละมนุษย์อาการแบบไหนเป็นยังไงก็คือเตือนภิกษุไว้แต่ไม่ได้ไปปรับความผิดโยมนะแต่เตือนภิกษุให้ระวังนะคนที่มีอาการอย่างเนี้ย <c oughs> เขาไม่พร้อมจะฟังธรรมเข้าใจไหมอ่าแต่ไม่ได้ปรับความผิดพระนะไม่ปรับความผิดญาติโยมด้วย <c oughs> ใช่ไหมอืมนั้นก็แล้วแต่เหตุการณ์อ่ะแล้วแต่ความเหมาะสมอันนี้ผู้เจ้าบัญญัติไว้ในเสกขียวัตร นะข้อวัดในการแสดงธรรมนะถือไม้พลองถืออาวุธถือสัตตาสวมแข่งเท้าสวมรองเท้านะผ้าโพกหัวกลางล่มนั่งที่สูงกว่านอนนะเรานั่งที่แผ่นดินเขานั่งบนอาสนะนะอย่าไปแสดงธรรมให้นะบุคคลที่ให้เงินพระไม่ได้ผิดที่บุคคลให้เงินเนี่ยผิดที่พระเนี่ยวินายเนี่ยเขาคุมพระเขาไม่ได้คุมญาติโยม พู้เจ้าคุมลูกศิษย์ท่านว่าจะไปรับเข้าใจโยมให้พระผู้เจ้าให้พระปฏิเสธพอพระปฏิเสธโยมไม่ขวนขวายต่อก็จบไปแต่ถ้าโยมขวนขวายต่อบอกว่าทำยังไงจะให้สำเร็จประโยชน์นะมีคนทำกิตุละแทนท่านไหมเราก็สามารถบอกได้คนทำกิตุละแทนเรียกว่าวา ย, ยาวัชกรเราก็แสดงวา ย, ยาวัจกรได้ผู้เจ้าก็บอกว่าให้แสดงว่า ให้แสดงวายาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวายาวจักรของภิกษุทั้งหลายนะคือให้แสดงชนทําการในอารามหรืออุบาสกถ้าไม่ใช่คนที่ช่วยงานวัดก็ให้แสดงอุบาสกคุณจะทำอะไรที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือมีศีลท่าละหรืออุโบสถแปดประการนะศีลทาศีลแปดที่เราทราบเนี่ยนะอ่า uh huh. uh huh. อ่าฮะรู้ได้ยังไงว่าจิตตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นมีตั้งเก้าระดับเนี่ยโยมเราก็ต้องกลับไปดูว่าพระศาสดาเนี่ยบัญญัติ จ, จิตตั้งมั่นอะไรบ้างจิตตั้งมั่นอย่างที่หนึ่งก็คือจิตไม่มีอกุศลอยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแล้วก็ดูในใจไม่มีความคิดอกุศลเลยปฐมฌานละอืมแต่ยังมีความคิดเรื่องกุศลเช่นไปพิจารณากายพิจณาอาหารนะ มีปิติมีสุขเพราะฉะนั้นถ้าโยมวางวิตกวิจารณ์การพิจารณาได้เข้าสู่ทุติยชานชั้นที่สองก็เนี่ยพิจาอาหารเนี่ยพินาอาหารพินาร่างกายเป็นของไม่งามพินาอาหารเป็นของปฏิกูลพิจาปฏิจจสมุปบาทคือคิดข้าใหญ่ควรในเรื่องธรรมไม่ใช่คิดเรื่องงานคิดเรื่องโลกอันนั้นเรียกอุทจฉาฟุ้งซ่านนะออย่างนี้สองก็ชั้นสองนะค่ะ ทีนี้ในระหว่างชานสองเนี่ยโยมจะได้ปิติได้สุขนะจิตจะละเอียดขึ้นมาระงับอกุศลได้ระงับวิตกวิจารณ์ได้โอจิตจะเริ่มสงบมากปิติจะเกิดนะสุขจะเกิดถ้าโยมเห็นปิติจางคลายและดับไปได้ปล่อยวางปิติได้ไม่สนใจไม่อยากได้ปิติโยมก็เข้าสู่ชา้นที่สตติยะชั้นนะเกิดสุขในสมาธิโยมเห็นสุขก็มีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา ไปล่วางสุขอันเกิดจากสมาธิได้เข้าสู่ชั้นที่สนีะ่ชั้นสี่มีเครื่องวัดอีกอย่างคืออัศสาสะปัสสาสะดับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยดับแสดงวแค่ถนะ้าเกิดถึงปฐมฌานก็คือถือว่าตั้งมั่นแล้วระดับที่หนึ่งถูกไหมคะตั้งมั่นแล้วเพียงพอต่อการเข้ามรรคผลนิพพานด้วยสมาธิทั้งเก้าระดับเนี่ยใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่า เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตัตยฌานบ้างจตุฌานบ้างอากาสารนันจายัตนะบ้างบิญญานันจายัตนะอากินจัญญายัตนะเนวะสัญญาณสัญญายานสัญญาเวทโธทั้งหมดใช้ได้หมดเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานเนี่ยอาศัยอะไรกล่าวเล่าบอกเหตุผลด้วยนะไม่ใช่ว่าบอกลอยๆเพราะยมจะเห็นสาวกบางคนเนี่ยบอกว่า ต้องฌานสี่นะถึงจะเป็นปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้ไม่ใช่นะถ้าฟันธงปัญญานันก็คือสอนผิดนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกสมาธิทุกขั้นได้หมดพูุ้ทธเจ้าบอกพระ อ, องค์อาศัยอะไรกล่าวพระ อ, องค์บอกว่าในปฐมฌานเนี่ยมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยังทาหน้าที่อยู่เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองฌานานั้นนะย่อมสามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้ เธอดำลงจิตในวิปาาัสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่สิ้นอาสวะก็จะเป็นโอปปาติกะอนาคาหมีผู้ปรินิพานในภพนั้นไม่เวีนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนอะไรผู้เจ้าเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางนะ่ะก็เอาธนูมาซ้อมยิงหุ่นฟางเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกล ย, ยิงเร็วทําลายหมู่พล น, นั้นใหญ่ได้นะออุมปมาพร้อมเสร็จหมดเลย และตรงนี้แปลกคืออุปมาสมาธิทุกขั้นเลยผู้เจ้าอุปมาเหมือนกันหมดนั่นคือไม่มีความแตกต่างของสมาธิในทุกระดับในการอจเจริญวิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นคือเห็นการเกิดดับขันห้าหรือขันสี่อย่างเมื่อกี้ที่บอกมีขันห้าเนี่ยค่ะวิญญาณเนี่ยเท่ากับจิตหรือเปล่าคะวิญญาณเท่ากับจิตผู้ที่ไปรู้ใช่ไหมคะคือตัวตเดียวกันปะคะจิตมโนวิญญาณผู้เจ้าบอกตัวเดียวกัน ต้องทราบบัญญัติสับตั้งแต่แรกเลยนะผู้เจ้าเนี่ยเป็นคนบัญญัติศัพท์ว่าธรรมชาติเนี้ชื่อนี้ธรรมชาตินี้ชื่อนี้นั้นจิตมโนคือใจวิญญาณสามชื่อตัวเดียวกันมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่มันไปรู้แจ้งอารมณ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เขจานะอืมครับขอพบพระคุณค่ะนะฮะ เอาใกล้ไม้กันคือเมื่อกี้ยังที่กัปปิยนถามพระอาจารย์เรื่องก็คือระหว่างที่เราเอาไม้ใกล้ๆหน่อยมันจะไม่ได้ยอะระหว่างที่เราระหว่างที่เรากําหนดลมหายใจอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้วอกแวกแต่ต้องยอมรับว่ามันควบคุมเสียงอันนั้นไม่ได้จริงๆเสียงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งเราก็กําหนดให้เขาหยุดไม่ได้เสียงอะไรเสียงข้างในข้างนอก เสียงเหมือนมีคนทําอะไรตลอดเวลาอย่างนี้นั่นคือเราไปใส่ใจเองนะถ้านะเรากําหนดดีๆแล้วจะไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็น <c oughs> เสียงมันจะมีได้ยังไงถ้าวิ ญ, ญญาณไม่เข้าไปรู้ช่องทางหูยอมปล่อยให้วิญญาณมันไปอยู่ในช่องทางหูผู้เจ้าบอกถ้าเธอไม่ตั้งจิตไว้ในกาย <c oughs> กายยัตาสติตาจะฉุดภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจ ลูกไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดอัดขยักขยง<อ>หูจะฉุดเอาพิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงไม่น่าฟังก็รู้สึกอึดอัดขยักขยงเห็นนะเหมือนไหมหูมันก็ฉุดโยมไปเพราะโยมไม่รู้จักตั้งไว้ซึ่งลมหายใจเี<อ>่ยสแสดงว่าเรากำหนด จ, จิตมันเ<อ>ื่อนไปแล้วจิตเราไม่ไดใีใช่ใช่เราไม่มั่นคงไม่หนักแน่นในลมหายใจไงอย่างนั้นเราก็ต้องสูตรลมหายใจแรงๆสักทีสองทีดึงจิตมาอยู่ตรงนี้ให้รู้ตัวตรงนี้เข้าใจอืม พิมรดกของพ่อเจ้าค่ะแ uh huh. อ่จะถามว่าอย่างปฐมฌานนะคะถ้าสมมุติอย่างเหตุการณ์อย่างมีคนจะมานินทาคนอื่นให้เราฟังแต่เราก็อ่ะเขาจะเริ่มนินทาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าบางทีจิตเราก็อาจจะน้อมไปบ้างอื uh huh huh. หรือแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคเข้าใจว่าเสียงแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าจิตเราจะไปทางไหนคือเราไม่ คือเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เป็นปฐมฌานไหมคะคือแบบจิตเราก็คือปกติอ่ะคะ่ะคือคือเข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละอ่าก็เป็นวิตกวิจารณ์ได้อ๋อเป็นวิตกวิจา ร, าร ใ, ใช่รรมอะว่ า, วาอืมโลกธรรมมันเป็นอย่างนี้แหละสันเสริญนินทาโยมไข้ควรธรรมะได้อยูแอย่แล้วอย่างแล้วอย่างคืออย่างปฐมฌานเนี่ยจําเป็นไหมคะจะต้องนั่งสมาธิก็คือ อย่างเราลืมตามจเดินก็ได้นอนก็ได้ได้หมดจิตขณะนั้นไม่มีอากุศลแค่จิตตั้งมั่นอย่างเดียวไม่มีอากุศลเขาแค่นั้นคือทำงานปกติอะไรก็เป็นปฐมฌานได้หมดนะยืนเดินนั่งนอนได้ทุกอิริยบทอยู่ที่ความเพียรทางจิตนะจิตมีอาการอย่างนี้มันจะอยู่ในกายท่าใดก็ได้เห็นค่ะแล้วอย่างรู้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลานั่งเวลานั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อหรือว่าอาจจะไม่นั่งก็ได้อาจจะลืมตาฟังหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าลมหายใจค่ะลมหายใจจะแบบว่าจะมาอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วมันจะตึงเลยค่ะหลวงพ่อจะเป็นครั้งและจะเป็นแบบแรกแรกที่เราแบบว่าใจจดใจจ่อฟังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดูอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อะค่ะแบบนี้คืออะไรอะคะหลวงพ่อแล้วแบบมันจะตึงมากอะคะ่ะช่วงนี้เหมือนจะแส บ, แสบ ไม่มีอะไรหรอกถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราตั้งใจเกินไปจดจ่อเกินไปพะพุทธเจ้าให้ลดความตั้งใจลงนะอย่างบางทีถ้าเราขยับนิดหน่อยก็หายเดี๋ยวพอบางทีเราก็ไปเคร่งเคียดกับมันมากพระุทธ <c oughs> เจ้าบอกว่าจเจริญทำสมาธิเนี่ยเบียบเหมือนจับนกด้วยมือยอมบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือบอกต้องจับพอดีพอดียอมปล่อยกายสบายสบายผ่อนคลาย แล้วก็รู้แค่ลมไหลเข้าไหลออกยังไงเราไม่ตายเราต้องหายใจยอยู่แล้วแต่อย่าเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เอาจิตเนี่ยผู้รู้เนี่ยมาอยู่กับลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกแค่เนี้ค่ะนะอย่างที่หลวงพ่อพูดก็คือถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็จะไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมคะคือถ้าเราเฉยๆกับมันแตที่มันตึงมาแล้วก็ยากที่จะแบบไม่ใส่ใจมานะคะเพราะมันจะแสบเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดินจงกรมเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นสิใช่ไหม มี อ, อีกตั้งหลายอย่างใช่ไหมบางคนเนี่ยปวดก็ามาปวดไปเดินจงกรมซะอย่างเงี้ยขอถามอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องสุดท้ายก็คืออย่างพ่อกับแม่ค่ะถ้าอย่างว่าเราพยายามชักจูงให้พ่อกับแม่เข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ว่า อ, อย่างแม่นี่ก็คือไม่ยอมอก็คือไม่ยอมอย่างมากก็แค่ทำทานคือ ถ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะให้พ่อกับแม่มาทางนี้ได้อย่างนี้เรียกว่ายังไม่ได้ตอบแทนให้ถึงที่สุดใช่ไหมคะใช่อย่างนี้จะมีกรรมอย่างสมมุติอย่างมีเหตุให้คนใดคนหนึ่งต้องาตายจากกันไปก่อนเนี้ยจะเป็นกรรมสัมพันธ์ต่อไปอีกไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อก็คือแค่ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนค่ะพระพุทธเจ้า ส ก, การจ้าคะะ่ะเดี๋ยนะเอาไม้เป็นลออะไรก็ได้นะข้างหลังอ่เจนจะมีคําถามค่ะคาถามนึงถามว่าคือคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะออืแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้หนังสือด้วยอือยากจะพาคุณแม่พูดรู้เรื่องไหมพอพูดรู้เรื่องรู้เรื่องแต่แม่พูดได้มั้ยได้ค่ะแม่พูดได้ยังเป็นคนที่มีสัญญาสัตว์ที่มีสัญญาและใจสอนได้ สอนได้เหรอเจ้าคะแต่เรื่องสัตไม่มีสัญญาและใจเนี่ยสอนไม่ได้เอแต่เรื่องที่เวลาคนมาพูดปุ๊บผาเดินออกไปจําไม่ได้แล้วขนาดจิตเดียวถ้าเขาเข้าใจบรรลุธรรมได้โยมอย่าไปประเมินคนโยมต้องดูว่าศาสตาเนี่ยสอนสัตว์ประเภทไหนสัตว์ที่มีสัญญาและใจผลของสัญญาคืออะไรคือคําพูดถ้าเขาพูดได้เป็นภาษานั่นคือเขายังมีสัญญาเขาเคยถามเขาว่ามาวัดไหม Mm hmm. เขาบอกเขาไม่รู้หนังสือเข้ามาแล้วเขาอายคน mm hmm. แต่คแค่เนี่ยคำพูดเนี่ยพูดออกมานี่สัญญามีแล้ว mm hmm. คนจะพูดได้ต้องอาศัยสัญญาผู้เจ้าบอกมนุษย์พูดได้เพราะสัญญาเข้าใจมไหมโยมอย่าไปคิดเองอย่าไปประเมินเองอย่าไปฟังความเห็นเขาเขายังเป็นผู้หลงเราต้องรู้ภูมิปัญญาของผู้เจ้าแล้วเอาไปสอนเขานะอืคืออยากชวนเขามาวัดนะคะ mm hmm. ให้เขามาลองฟังทำดูว่า mm hmm. mm hmm. เขาจะ อจะรับได้ไหมม <EN S 1> <อ>นันไปรอเขาไม่ได้หรอกโยมนะอ่ามันต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาเลยจะไปรอให้เขาตัดสินใจนะไม่ได้ไม่ได้ธรรมะ<ำ>หรอกใช่นะอืมจออนะฮะอ่าฮะให้แล้วคือเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้นี้จะอะมันก็เรื่องของเขาแล้วโยมได้ให้หรือยังนะ่ะ เขารับได้ไม่ได้เนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ว่าเราให้หรือยังเกิดเขารับได้แต่เรายังไม่ได้ให้แล้วมาบอกเขารับไม่ได้ก็ให้หรือยังแหละเอาต้องขั้นตอนนี้ก่อนสิแนะนออแนะนําในธรรมของสัตบุรุษก่อนนะจากนั้นเขาได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้แล้วถ้ายังรับไม่ได้อ่ะก็พยายามต่อไปสิโยมก็แจกแจงสิธรรมที่เอาไปให้เนี่ยง่ายหรือยากอ่ามีแง่มุมไหนอีกบ้างที่เขาจะรับได้อย่างเนี้ย มันมีต้องหลายวิธีอย่าไปคิดแค่ได้กับไม่ได้มันง่ายเกินไปไม่มีความละเอียดแยบขายใช่ไหมต้องละเอียดขึ้นไปอีกระเอียดขึ้นไปอีกเราต้องพยายามไงใช่ไหมผู้ที่เราคิดจะสงเคราะห์ผู้มีอุปการะต่อเรานะก็ต้องพยายามสงเคราะห์ให้เขารู้ให้ได้นะพระสารีบุตรยังสงเคราะห์แม่ตัวเองไม่ได้เลยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่จะปรติผ่านนะลองอีกทีหนึ่งได้พอดีเห็นนะเพียนไปเรื่อย จนเวลาตายเลยเห็นนะ อ, อันนี้ไม่ใช่พ่อแม่อะค่ะไม่ถึงว่งาทั่วไปอ่ะค่ะก็นั่นนะ่ะแล้วแต่เราอะว่าเราจะเมตตาเขาขนาดไหนล่ะใชื่อมั้ยทีถ้าไม่ไม่ใช่คนที่เราจะเมตตามาก็ทีสองทีก็เลิกอันก็แล้วแต่เราอยา่างนี้ไปตังคับน้องสกันครับขอต่อเนี่องครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีแบบนี้ครับคือ่างตัผมเนี่ยเจ้าิูกฝีของพ่อจานะครับ ตุเนี่ยเอาไปวางไว้ในห้องโดนของแม่เลยอืแล้วก็ผมจะเปิดฟีดครับตั้งแต่เช้าเลครับเปิดให้ท่านฟังอืโดยทั้งว่าท่านฟังฟังครบโดนอุปกรณ์เข้าไปเองครับอืโดยทั้งว่าท่านตัวเนี้ยท่านก็รู้หมายใจท่านบอกว่ามันมีความฝุ่นท่านไปโรงพยาบาลท่านก็ตัวที่น้องหมอท่านก็จะนั่งรู้หมายใจตลอดอืท่านจะไปไหนนั่งในรถท่านก็เห็นน่าหมายใจมันต้องหาอุบายเยอะใช่ไหม ก็เหมือนที่เล่าให้ฟังอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะให้พ่อเขามีธรรมะนิโมนอาตมาไปบรรยายที่โรงงานเขาพ่อขับรถหนีออกไปเลยไม่ฟัง <c oughs> ใช่ไห <c oughs> ลูกก็เซ็งเลยเอาไงดีเนาะ <c oughs> บรรยายเสร็จพ่อขับรถกลับมาแม่ลูกไม่สาเร็จเอางี้เอาใหม่ขับรถไปส่งพ่อต่างจังหวัดเปิดซีดีให้ฟังตลอดทางไปไหนไม่ได้ <c oughs> ใช่หม <c oughs> พอพ่อลงรถปับลูกมีอีกแผ่นหม เข้าท่าดีแน่นะเข้าหัวล้วเนี่ยมันต้องพยายามเนอะอืมแล้วก็พอโ<ม>ยมไม่ได้แนละ้วทีนี้พี่กับ้อง่ตอนแรกเขาก็ไม่ไม่ค่อยมาทางธรรมนะแต่ว่าผมก็ใช้วิธีเปิดแล้วับผมจะเร่มฝึกมนต์เริ่ผมไม่ฝึกทำนัดเตอร์ก็ไม่ฝึดอ่าที่ปฏิเสธฝุ่บาตรอืมแล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยตอที่แม่เขาทาําบบข้าวตั้งแต่ตีสี่ครับผมเปิดมาผ ม, มเปิดสองสามช่วโงอ่ะ แล้วก็ช่วงไหนว่างวันพี่เล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผ ม, มจะเปิดตอนนั้งทานข้าวไมจะเปิดเปิดผมก็จะเดินจงกลมแล้วก็นั่งไปเขาก็จะเขาจะเริ่มจะเริ่มสนใจแล้วก็จะเริ่มจะเริ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าผมยังเดินมามาที่วัดไม่ได้คม่ครับไม่เป<ม>็นฝาลูกฝากขาจะไปวัดไม่ได้ก่อนมาวัดไม่ได้แต่ในปฏิบัตินีนพอแล้วใช่ครับให้เขารูร้ลมหายใจเป็นเห็นเกิดดับเป็นเนี่ยสุดยอดแล้ว แล้วก็บอกแม่ว่าถ้าเกิดว่าอย่าลืม อ, อย่างเดียวให้เห็นความเกิดดับใน่ขันไมขันห้าใเข้าพิจารณาแต่็เพราว่าเร็จะตตกับความฝุมแกกจะเข้าใจพิจารณาแกจะมองตอนแรกแกว่าชมั น, ม, ม, นมันไม่ใช่ของเราแกก็แจะมองมองเห็นไปเรืๆๆๆอ่อยๆเลยแลแต่ผมจะไม่ยาบั ง, งคับแกให้ให้เกปฏิบัต<ช>ิอ่านี้หน่อยเหมือนเจอยมแม่คนหนึ่งเขาก็เจ็ดสิบกว่าแล้ว บอกยมทําสมาธิอุ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเอาสิบนาทีอุ้ยสินาทีก็ทําไม่ได้ห้านาทีห้านาทีก็ทําไม่ได้อาจะมาต่อจนเหลือสองนาทีสามนาทีต่อลองเข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มจากสองนาทีสามนาทีเนี่ยทุกวันนะผ่านไปห้าหกเดือนลูกเขามาบอกตอนนี้แม่เขาทาได้ละห้านาทีคืออย่างเนี้ยต้อ่ยใช่มันต้องเริ่มจากน้อยๆพระเจ้าเนี่ยขอแค่ไหนแค่รัดนิ้วมือใช่ไหม บอกถ้าพิกสูตรจเจริญอาณาปานสิแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเห็นนะไม่ห่างจากฌานละทําตามคําสอนพระศาสนาปฏิบัติตามโอวาทละเห็นนะแค่นิดเดียวทตนี้ถ้าโยมได้ลองมาสูตรลงหายใจแล้วมีความตั้งใจมั่นสักนิดนึงเนี่ยแค่นั้นะนะขณะจิตเนี่ยมันมีความสุขและ้ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทาขยายไปเองอะ่ะนะแล้วพอยมทําสั้นๆได้เนี่ยเดี๋ยวมันนั่งยาวไปเองแหละนะอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวรมานดา ทางฝมันมก็นลอกไม้ครับแต่ผมไม่เลือกให้แผ่านนตากลกลับมาแผ่นในตาแล้วก็ฝาดมากับโบว่หมาใจทําดไปฝดมาแแกูมันดีดีมากแล้ว น, ลนั่นแหละนั่นแหละอตมาเคยมีคนสวนอยู่คน <c oughs> ปีแรกแรกให้เขามานั่งสมาธิโอ้ไม่นั่งไม่ยอมฝืนอมาโอ้มานั่งเถอะลุงช่วยแกก็มานั่ง นั่งเสร็จแกก็บนออนแอนแอนนั่นถูกบังคับให้มานั่งทุกวันหลังๆชอบชวนเมียมาด้วยลูกมาด้วยบอกเออมันนั่งเห็นะเนี่ยต้องให้ลองสักพักหนึ่งมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งเขาก็ให้พนักงานเขานั่งสมาธิทั้งโรงงานแรกๆก็อัดอึดอัดงงงงหลังๆนี่อาการเปลี่ยนไปหมดเลยนะพอมีสัญญาณปุ๊บเนี่ยทุกคนหาที่นั่งดูว่ามันเปลี่ยนไปนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะอืม ข้างหลังเชียวมัสการค่ะคือยังมีขอ้อคองใจเกี่ยวกับที่ที่คนเที่ยวนะคะออคือสติปรฏฐานสีและน้ำที่คนดื่มค่ะ อ, อ, อ, อ, อ๋ อ, อที่ที่คนเที่ยวสีที่คือผู้เจ้าให้จิตของเราเนี่ยเที่ยวไปในกายเวทนาจิตธรรมนะเที่ยวไปในกายก็คืออยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไวหวริยาบทนะเที่ยวไปในเวทนาคืออยู่กับอุเบกขา สุขทุกมาเนี่ยให้รู้แล้วก็วางซะอย่าอยู่กับสุขอย่าอยู่กับทุกขนะอยู่กับอุเบกขาเที่ยวไปในจิตคือให้รู้จักจิตผู้รู้เฉยๆนะว่าจิตผู้รู้เฉยๆเป็นยังไงก็คือขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเราลบจักผู้รู้ทันทีเลยเที่ยวไปในธรรมคือให้เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนใครเห็นสีอาการนี้ชื่อว่าเป็นธรรมานุปัสสนานะ นี่คือที่เที่ยวของจิตส่วนผู้รู้จากน้ำที่ควรดื่มก็คื อ, อยังอัตมาแสดงธรรมกับโยมแต่คนอื่นเนี่ยเงียโสดลงสดับด้วยตั้งใจใคร่รู้ด้วยใคร่ควรพิณาไปด้วยนะคนนั้นเนี่ยสามารถรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอาจซึ่งธรรมไปด้วยกันด้วยนะแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ครูเจ้าบอกนี่เป็นผู้ที่รู้จากน้ำที่ควรดื่มถึงแม้เขาจะไม่ได้แสดงธรรมกับเราแต่เรางียหูลงฟังนะ ตั้งใจเพื่อจะรู้ทั่วถึงเราก็สามารถบรรลุทำได้นะเป็นหนึ่งในองคุณสิบเอ็ดประการของผู้ที่ควรเจริญงอกงามภายบูรณในธรรมวินัยนี้อืมออือ hmm. อ uh ่า huh. uh huh. แล้วนั่งสมาธิมักจะเจอว่าลมหายใจมันเบาเบาจนสุดท้ายมันมันหายไปหายไปรู้สึกว่ามันหายไปเลยเราจะไม่สามารถจับลมหายใจได้ครับนี่มันติดหรือถูกต้องทํำยังไงต่อไม่มีอะไรก็เห็นการเกิดดับต่อไปสมาธิจะอยู่ในขั้นใดก็ตามนะ่ะอย่าไปสงสัยว่าจะทําอะไรต่อสิ่งที่ต้องทําต่อคือเห็นการเกิดดับสมาธิที่ได้ก็มีการดับไปเป็นธรรมดา หรือขณะที่สมาธิตั้งอยู่ผู้เจ้าให้เห็นว่ายังมีอะไรเกิดดับในสมาธินั้นอีกไหมซึ่งผู้เจ้ายืนยันว่าสมาธิทุกระดับเนี่ยยังมีการเกิดดับอยู่เพียงแต่เรามองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกว่าให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะยิบสมมุติถ้าเกิดพอนนั่งไปแล้วลมหายใจรู้สึกมันหายไปออืเราก็ เฝ้าดูก็เฝ้าดูดก็<ด>อยู่ตรงนั้นใช่ไม่ต้องเฮ้ยมันหายไปไหนต้องเสียชื่นั่นก็คือโยมก็กำลังกลับมาลมใหม่สมาธิก็ตกมาอีกผู้เจ้าจึงบอกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเส้ น, น้นาต่อจตุตฌานนั้นถ้าโยมบกกลับมาลมหายใจสมาธิก็ตกระดับลงมานะต้องต้องปล่อยไปต้องปล่อยก็อยู่กับภาวะนั้นจิตรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นไว ทรงอารมณ์ตรงนั้นเอาไว้เข้าใจมตรงนี้เป็นเป็นเป็นเป็นผสมผมธรรมมันแล้วแต่ถ้าลมหายใจหายจริงๆเนี่ยมันเป็นจตุตฌานส่วนใหญ่จะไปกั้นลมหายใจกันหรือปรุงแต่งหรือช่วงจังหวะที่ลมเข้าแล้วยังไม่ออกก็เลยกลายเป็นหยุดลมหายใจไปนะแล้วอาการก็คือจะเหนื่อยจะอึดอัดนี่พวกนี้ประเภทกั้นลมหายใจหรือว่ามันยังมีลมแต่ไป ปรุงแต่งไปก่อนว่าเออลมไม่ต้องไม่มีนะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่จริงๆจะต้องลมจะต้องค่อยๆละเอียดละเอียดจนเนี่ยจนโยมเนี่ยหายใจเนี่ยแทบจะจับลมไม่ได้แต่ก็เหมือนกันยังรู้ว่ามีลมอยู่แต่มันละเอียดมากจนกระทั่งมันหายไปเองของมันอย่างนี้คือ ค, คือครเรืยังหายใจปกติแต่ว่าเราจับลมไม่ได้แล้วอออืืคุณทั้งเป็นสักพักกันนะครับอ่าอ่าใช่อ่าเช่นต้องตามลมไปเลยทีต้องตามลมไปคือ อ่าฮะการารูร <c oughs> รล้ลมหายใจเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ไปอิงกับปลายจมูกกลิ่นฝีปากหน้าอกท้องอะไรไม่ต้องไปสนใจธาตุดินผู้เจ้าไม่เคยอธิบายพูดเรื่องธาตุดินบอกแต่ว่าเมื่อลมไหลเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้จะเปรียบเหมือนช่างกลึงดึงเชือกกลึงยาวรู้ดึงเชือกกลึงสั้นรู้ดึงเชือกกลึงยาวรู้คือจิตเนี่ยแนบอยู่กับธาตุลม อยู่กับกองลมว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเองอ่าใช่ใช่ไม่ไม่ต้องไปรู้ว่าตอนนี้อยู่หน้าอกแล้วนะพุงแล้วนะอะไรอย่างนี้อ่าอ่าฮะอือหึอ่าฮะอ่าฮะอ๋อ ธรรมดาฮะก็มันมันขาดสติชั่วคราวอ่ะก็คือผู้เจ้าเรียกว่าทำเป็นเครื่องสะดุง้งนะความสะดุ้งว่าเสียวสันครอนแห่งจิตมีเพราะอะไรมีเพราะความยึดมั่นในขันห้าขณะที่เรายังยึดมั่นในขันห้าอยู่ในอาการสะดุ้งจะมีนั้นเวลานั่งสมาธิบางคนมันสะดุง้งหรือว่าได้ยินเสียงปิดประตูปังเนี่ย จะตกใจนะ น, น, นั้นคือเราจิตมันยังไม่นิ่งมากนะมันจะมีความหวั่นไหวต่อเสียงเป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียงไม่อดทนต่อรูปไม่อดทนต่อกลิ่นไม่อดทนต่อสัมผัสนะเป็นผู้ที่ไม่สมควรเข้าสมาธิได้เพราะนั้นคนที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายต้องอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้อ่าใช่ใช่ ก็เป็นได้นะฮะเป็นได้นะฮะบางทีธรรมอารมณ์ไงมันรับจิตรับรู้ธรรมอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วนะอย่างเนี้ย <c oughs> อ่าใช่ใช่ดังนั้นอาการสะดุ้งเนี่ยจะมีเพราะว่าเรายังมีความยึดมั่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของคันห้ายอยู่ะทําเป็นเครื่องสะดุ้งจึงเกิดขึ้น <c oughs> อย่างนี้ ก็อ่าก็เอ า, เอ า, เอาสีจัดให้กขาใส่อ่นน <c oughs> อาฮะเช่นเข้าและออกอือ <c oughs> <c oughs> ใช่อือหืออือหือ นะ uh huh. ก็คือขนาดที่โยมทำทำในใจเป็นอย่างดีกับลมเนี่ยปิติจะเกิดสุขจะเกิดนี่ก็เป็นเวทนาจากนั้นเนี่ยก็เป็นอุเบกขานะปิติปล่อยวางไปได้สุขวางไปได้ก็เลยอุเบกขาเฉยๆโยมจะรู้จักเวทนาทั้งหลายนะแต่ผู้เจ้าให้อยู่กับอะไรให้อยู่กับอุเบกขานะปิติเกิดแล้วก็ดับไปนะสุขเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ ใช่ใช่พอผู้เจ้าบอกพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้อุเบกขาไม่มีโทษโทษของมันนิดเดียวคือมันดับมันดับได้แสดงว่ามันเป็นสังคต ธ, ธรรมสังคต ธ, ธรรมยังมีการเกิดการดับแสดงว่าไม่ใช่วีมุติยมก็ต้องปล่อยวางอุเบกขาทีอุเบกขาให้ใช้เป็นเครื่องอยู่แต่ยึดไม่ได้ต้องปล่อยวางแต่ต้องใช้เป็นเครื่องอยู่เพราะขณะอยู่อุเบกขายมจะวางสุขกับทุกขได้ จึงต้องอยู่กับอุเบกขาให้มากไว้ก่อนแล้วมีอีกคำถามหนึ่งคือ โ, โยมพผลกับโยมอีกคนหนึ่งในในวัดนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าเรนี่พระที่บวชในวัดนี้ฉันไดอะค่ะอะไรนะอะไรเนี่นะอ๋อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ ก็ใช่ไหมละ่ะมันทำจากอะไรละ่ะมันฝรั่งอมันฝรั่งคือส่วนไหนของต้นไม้ละ่ะอ่าลากลา ก, ลากแล้วผู้เจ้าบัญญัติลากฉันได้ไะอ่า แ, <ต>แล้วยังไงต่ อ, ต, อ, ต, อต้องอาพาธหรือเปล่าคะหรือไม่อาพาธฉันได้มีเหตุน ะ, นะมีเหตุใช่มีเหตุคืออะไรบ้างอาพาธนะเดินทางปวดหัวตัวร้อนอาพาธเนี่ยได้ทั้งหนักทั้งเบา นะคําว่าอ า, าพาธเป็นคํากลางนั้นจะมีเรื่องที่ภิกษุที่อ า, าพาธแล้วไปจับจองกุติเสร็จแล้วผู้เจ้าบอกว่าอห้ามจองกุตินะภิกษุ เ, เลยอ้างอ า, าพาทกันหมดผู้เจ้าจึงบัญญัติต่อว่าต้องอ า, าพาทหนักนี่แสดงว่าอ า, าพาทเนี่ยอ า, าพาทเบาก็ได้นะอืภาษาริบุตรไม่มีกุติไปนอนคนไม้ผู้เจ้ามาเจออาทําไมมานอนคนไม้บอกกุติเต็มอาทําไมเต็มอ่ะพวก พิสูจน์ชาปักิจไปจองให้จานตัวเองหมดนะจากนั้นผู้เจ้าก็เลยมาเล่าเรื่องว่า <c oughs> น้ําที่เลิศอาหารที่เลิศเสนาสะที่เลิศเนี่ยเหมาะแก่พิสูจประเภทใดบางก็บอกเหมาะ ก, กับพ ร, ระอรหันต์พระเลิศทางลิตเลิศทางปัญญาอะไรต่ออะไรผู้เจ้าบอกไม่ใช่เหมาะ ก, กับพิสูจผู้มีปัญษามากที่สุดนะเอาปัญษาเป็นเกณฑ์นะอืออ่า ใบสองใบสองยังมีเวลาไม่คั้งไปบรรยายแล้วก็กลับเลยไปเครื่องอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮ ะ, ะชั่วโมงได้ชั่วโมงชั่วโมงนะ สุดท้ายคืออารมณ์ที่จิตไปเกาะนะ อ, อ, อารมณ์เนี่ยคือภพคือสถานที่เกิดจิตเกาะอารมณ์ใดนั้นคือจิตสร้างภพอยู่ตรงนั้นจิตตั้งอาศัยตรงภพนั้นนั้นอัตภาพเราก็เป็นภพอันหนึ่งเหมือนกันนะท่ น, นี้จิตไม่ได้เกาะ อ, อยู่กับกายอย่างเดียวจิตไปเกาะนามธรรมพอไปเกาะนามธรรมจิตไม่อยู่กับกายแล้วนะถ้ากายจ่ายทำลายปั้งเนี่ยความเป็นตัวเราคืออยู่กับวิญญาณวิญญาณตั้งอาศัยตรงนั้นคือเราเป็นตรงนั้น เข้าใจไหมถูกต้องก็ไปตรงนั้นก่อนมันนึกไม่ได้สิเพราะว่าวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยรู้ได้เฉพาะสี่ธาตุวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้โยมนั่งให้ตายก็นึกถึงนิพพานไม่ได้เพราะคุณสมบัติของวิญญาณจะรู้ได้แค่สี่ธาตุใช่ไหมเพราะเราไม่รู้คุณสมบัติของวิญญาณวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นั้นไม่มีทางที่จิตจะไปนึกถึงนิพพานได้เข้าใจไหม ออืก็เพราะว่าเขาไม่เชื ans, ่อว่าจิตเป็นเขาไม่เชื่อว่ารูปเบทานาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเขาของเขานะเพราะก็เห็นความไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนเขาปล่อยวางห้าธาตุนี้เข้าเลยถึงนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่ตัวเขามีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นใหม่เพียงแต่หมดความไม่รู้คืออวิชานั้นดับไปวิชาเกิดขึ้นเขาก็เข้าถึงสภาวะเดิมของตัวเอง ยมก็มีสภาวะเดิมคือ น, นิพพานของเองทุกคน puerta, มีสภาวะนิพพานของตัวเองนะแต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้เพราะเรามีอวิชาาาวาาวชาเป็นเครื่องกั้นผู้เจ้าจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นเรามีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพนะเราก็เลยท่องเที่ยวไปกับขันธ์ห้ายอยู่ตลอดสังสารวัฏผู้เจ้าบอกเมื่อรูปตายเธอจะต า, ตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนานะเมื่อวิญญาณดับเธอก็ดับไปตา ม, นะมวิญญาณ เวลาขันห้าแปลเปลี่ยนเราจะทุกโศกไปด้วยตามขันหเพราะคิดว่าขันห้าเป็นเราอย่างนี้พอร่างกายเจ็บเราก็บอกโอ้ยกายฉันเจ็บกายฉันตายอย่างเงี้ยมันเลยมีใครตายมีอะไรตายแต่ถ้าขันห้าไม่ใช่เราก็คือไม่มีใครตายโดยความจริงแล้วมันมีวิมุตที่ลองลองรับหรือรับรู้ขันห้าอยู่นะแต่วิมุตตัวนี้ยังถูกเรียกว่าวิมุตวิมไม่ได้เพราะยังมีอวิชชาพระเจ้าจึงเรียกตัวนี้ว่า ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตัวนี้แหละเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลาวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปวิญญาณไม่ใช่ชีวิตชีวิตคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องการปุริที่เป็นผู้หลงเนี่ยท่องเที่ยวไปเมื่อหายหลงแล้วเพราะปฏิบัติมรรคไม่งำจะถูกเรียกหมาว่าวิมุตติอนัทสนาผู้รู้ในวิมุตติเข้าใจมาอย่างนี้นั่นคือเราต้องใช้บัญญัติศัพท์ให้ถูกตั้งแต่แรกเลย ไม่งั้นชาวพุทธก็จะงงคิดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเวลาโยอมไปบอกใครว่าวิญญาณไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็จะเถียงโยมหมดน่ะเพราะเขาใช้บทบัญญัติสับผิดนะตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่อือฮะอ่าโยค้าเขมธรรมนะ คือโยคะจะมีหลายความหมายนะโยคะกรรมหมายถึงการกระทําอย่างเป็นระบบโยคะออย่างหมายถึงเธอปราศจากเธอมีทำอันกเกษมจากโยคะคือทำอันกเกษมจากเครื่องร้อยลัดนะสิ่งที่ร้อยลัดจิตให้ยึดติดอยู่กับขันห้าคือตัวตัณหาความอยากความพอใจนั่นเองถ้าเราละความพอใจได้ละเครื่องร้อยลัดได้การเกิดก็จะไม่มี ต้องรู้สิการบรรลุธรรมไม่รู้แล้วจะเป็นพระหลานได้ยังไงใช่ไหมอ่ารู้ว่าเป็นยังไงครับจะรู้ว่าเป็นยังไงครับยมจะรู้ว่าสินห้าเราบริบูรณ์เป๊ะเลยไม่มีบกพร่องยมจะรู้ตัวโยมว่าเราไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยนะใครมาสกิดไปดูหมอไหมไปนอนในโรงไหมโยมโอ้โหลายสันละไม่เอา่ะใช่ไหมเนี่ยยมมั่นใจตรงนี้ไม่ใช่ลังเลเออลูกนี้ไปด้วยก็ดีอย่างงี้ยังหวั่นไหวนะอ่า Uh huh. เอกขตาเป็นพุทธวจนะเอกขตาก็เป็นพุทธวจนะแต่ยังมันใช้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีมีหลายหลายในยะเลยยังไม่ได้ไม่ได้สรุปตัวนี้แต่ที่ใช้กันเนี่ยยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะต้องต้องประมวลพระสูตรเกี่ยวกับเอกคตาถึงจะหานิยามของมันได้จริงๆรนะเหมือนกับสุญญาตาเนี่ยที่เคยบอกสุญญาตาแต่ก่อนก็ เราก็ทราบแต่ว่าเป็นนิพพานแต่จริงๆพระศาสดาบอกว่าเป็นทั้งปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตนิโรธแล้วก็เป็นได้ถึงนิพพานด้วยเหมือนกันเป็นคําที่กว้างใช้ได้ทั้งระบบสมมุติแล้วก็วิมุตตินะครับเอามาพิจารณาเป็นส่วนในสมาธิมันมันจะเป็นหนึ่งในองค์ชาในองค์ชาของหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีตัวนี้นะ แต่เอกคตตาเนี่ยก็หมายถึงแบบว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์อันเดียวนะอ่ายงนี้องค์ชาญที่รวมเอกคตตาด้วยก็ไม่เป็นพุทธวจนะไ ม, ไม่ไม่มีในในส่วนชาญสีนะ่เนี่ยผู้เจ้ายังไม่ได้ไม่ได้เขาอย่าง <คำ S 2> การปฏิบัติจริงนี่จิตตั้งมั่นนี่คือเอกคตตาพะยโยมผู้เจ้าไม่ได้ใช้คํานี้โยมก็อย่าไปพูดสิจิตตั้งมัน่นผู้เจ้าบอกชาญหนึ่งก็จิตตั้งมัน่น <c oughs> ชาญสองตั้งมัน่น โยมก็ไปดูอ๋อตั้งมั่นแสดงว่ามีหลายระดับตั้งมั่นคือคุณสมบัติแบบไหนชา้นหนึ่งคืออกุศลไม่มีคือในภาษาไทยเนี่ยเขบอกตั้งมั่นหรือจิตนิ่งเนี่ยเราจะไปคิดกันว่าจิตต้องไม่ขยับแต่มันไม่ใช่หมายถึงจิตเนี่ยไม่ขยับไปในอกุศลเนี่ยเรียกว่าตั้งมั่นแล้วคือเรียกปฐมฌานจิตไม่ขยับไปในอกุศลและวิตกวิจารณ์ด้วยตั้งมั่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะนั่นมันยังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่แต่ไม่เคลื่อนไหวอ อ, อกไปนอกกรอบ กรอบผู้เจ้าก็จะมีบอกไว้ว่าอะไรดับอะไรดับอะไรดับไล่ไปเรื่อยๆรู้สติสัมพัสชมนะครับ uh huh. คือต้องต้องรู้ตัวไหมครับว่าเราอยู่ตรงตรงจิตหรือตรงเวทนาตรงอ๋อครับต้องไหนก็ได้คนนั้นก็จะจะรู้ตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจิตมันจะพลิกมุมไปคนละอย่างกัน นะอย่างที่อาตามาบอกว่าถ้าโยมอาตามาเอาแก้วมาให้ดูเนี่ยถามสิบคนก็จะมองไม่เหมือนกันบางคนมองแก้วบางคนมองน้ําบางคนมองความใสของน้ําบางคนมองความกระเพื่อมของน้ําหรือความนิ่งนะก็ได้หมดนะขอให้อยู่ในสี่กรอบกายเวทนาจิตธรรมสติมันอยู่กับลมอย่างเดียวครับก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่รู้ก็อยู่อะไรครับอยู่กับเวทนาหรืออยู่ ก, ก็อยู่กับลมก็คืออยู่กับกายกายยังคตาสติ หลุดพ้นได้แล้วก็ดีแล้วนี่ถเกิด yeah. uh huh. อยู่กับลมก็ผู้เจ้าบอกลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือกายอันห น, น, น, นึ่งในกายทั้งหลายจิตอยู่ลมก็ถูกแล้วแล้วคอยดูว่าจิตเนี่ยหายจากลมไปเมื่อไหร่ถ้าหายจากลมแสดงว่ารูปดับนมามธรรมก็จะเกิดยมดึงกลับมาลมนามดับรูปเกิดแต่มันเร็วมากนะแล้วมันละเอียดนี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องของจิตนะ่ะ <c oughs> อ่แล้วบางคนนี่แบบเริ่มจับลงไม่ได้เลยอาาแบบจับลงลำบากคุณจะทําังไงดีครับไม่เป็นไ ร, รบัรารก็อยู่กับเวทนาก็ไ ด, <c oughs> อได้อยู่กับจิตว่าจิตเรากําลังรู้อะไรก็ได้นั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินก็ได้นะออืเคยได้ยินไม่ทราบว่าได้ยินจากจอาจารย์หรือที่บอกว่าให้สุขสุขกิน อ๋อนั่นเป็นผู้ทโธชนะนะ mm hmm. เหมือนกับการสูดสูดกลิ่นสูตรดอกไม้นะ <Yeah. S 2> นะการสูดลมเนี่ยสูดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ให้รู้รู้ตามลมเข้าไปอย่างเนี้ยอ่าลมไหลเข้าลมออกเข้าออกเข้าออกอย่างเนี้ยคนะือก็คือคนที่ เ, เคยพุทโธพุทโธก็มันจะถึงอิฐางได้ใช่ไหมครับก็ได้ก็ทําตามพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องคําบริกรรมอรู้อาการที่เกียดเป็นถินมถามิธา อาการขี้เกียจก็ต้องแก้ด้วยการคิดเรื่องตายเยอะๆอืมพระเจ้าบอกให้คิดเรื่องมรณสตินะจะขยันมากขึ้น อ, ททนอืใช่ขี้เกียจก็เรื่องของมันอย่าไปเชื่ออารมณ์จิตรู้อารมณ์ใดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปเชื่อนะจัดเป็นอยู่ในถินามิธาบ้างครับ เออมันก็ไม่แน่มันก็แค่ขี้เกียจเฉยๆอะ่ะจะจะว่าอย่างนั้นก็ไ ม, ไม่ไม่เิงใ ช, <Okay. S 1> ใช่ใช่ใช่อือฮะอือฮะอือฮะแล้ว huh. มันใช้คําอื่นมัน้ง แ, แต่แต่ถ้ามาเคยอ่านอย่าอ่าอ่านเคยอ่านเจอแบบฟุกฟ๊กๆ <Okay. S 1> <laughs> ไม่ได้ไปตั้งใจหาหาตัวอื่นแล้วไปเจอให้ตัวนี้พอดีอืมก็เลยจําบทพันธะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่รู้ว่าอ๋อมีมีเรื่องของการสูดกลิ่นนี้ด้วยอ่าฮะตัวมนุษย์สัญเจตนาเนี่ยน่าจะเป็นตัวของสัญญาสังขารที่ จิตเนี่ยเข้าไปเกาะตัวนี้นัมโนสันเจตนาคือมีมีเจตนาทางใจที่เราคิดปรุงไปในเรื่องใดนะเพราะว่า<ม>คำว่าสันเจตนาเนี่ยบางทีไปใช้กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท<ม>ำอามมรมณ์ด้วยก็เลยว่าอมันแตก อ, อะไรกันแน่การคิดปรุงไปในเรื่องนั้นหม อ, อคิดปรุงใช่นะครับ นะฮะเชิญบางตำราเขาบอกการจะไปถึงขั้นพานก็มีเสียชั้นเนี่ยอืทางท่านว่าต้องผ่านนี้ไม่ยึดตัวยึดถือตัวตนอะไม่ยึดถือตัว ต, ว ต, วอตนอะไรตำรานในทางพุทธวัฒนามีกล่าวถึงครับระดับชั้นเรื่องนี้บางพระก็มีบัญญัติเยอะแยะเราไม่ไปเอาคำที่ไม่ใช่พุทธุานะมาเปรียบเทียบนง เราต้องดูที่ผู้เจ้าตัดอะไรแล้วก็ศึกษาเฉพาะคํำผู้เจ้านะสิ่งที่ไม่ใช่คํำผู้เจ้าคนก็พูดเป็นร้อยแบบพันแบบอะ่ะเราไปฟังแล้วมาอ้างอิงมันก็ลําบากเหมือนกันหรนะือถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องจําบทพิธนะนั้นมาให้ดีจําให้แม่นว่าเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกับพุทธวจนะได้นะเหมือนผู้เจ้าบอกว่าฟังคลัใครมาก็ตามเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้าน จำให้ดีนะเขาพูดอะไรโยมต้องจำให้ดีก็พูดอะไรแล้วถึงจะเอามาเปรียบเทียบกับพุทธวัชนะได้ถ้ามันสอดรับกันลงกันได้เข้ากันได้ดก็ชื่อว่าใช่ถ้าเข้ากันไม่ได้ดกด็ให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปพูทธเจ้าบอกนั่งคู่บัลลังก์ นั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอย่างนี้ ค, นนคือไม่ไม่ใช่ว่าต้องแต่เป็นท่าที่พูะเจ้าแนะนำไว้นะ่ะซึ่งจริงๆท่าไหนก็ได้นะ่ะใช่นอนอยังได้เลยนะเป็นท่าที่เหมาะสมที่ จะนั่งได้ทนนั่งได้นานนะอืมไม่ได้บอกว่าต้องขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาหรือต้องเอาขามาขัดกันมือการวางมือก็ไม่ได้บอกว่ามือวางอย่างไรก็คืออิสระเรื่องการวางมือนะแค่คู่ขาเข้ามาเอามางอเข้าม า, า, า, ออมาจะเหลื่อมเท้าก็ได้จะซ้อนก็ได้นะไม่ไม่จํากัดอืมนะแล้วก็ตั้งกายตรงนะอ่านะ เมื่อก็เปลี่ยนในรีบทได้อนิพนธ์ชั่วคราวเนี่ยจะไปใช้เป็นคําพูดของสาวกคําพูดพระเจ้าจะใช้คําว่าสันติติกานิพนธ์นะจะมีห้าคำสันติติกนิพนธ์สันทิติฆธรรมทิฏฐธรรมนิพนธ์ ตัดทางคณิพานตัดทางคณิพุโตห้าตัวนี้เหมือนกันหมดนะคือตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตานิโรจนจนถึงนิพานเลยนะนั้นตัวนี้เป็นนิพานที่เห็นได้ในปัจจุบันและนิพานตรงนี้หมายถึงการดับเย็นอะไลายดับเย็นลงไปอกุศลดับเย็นก็เป็นสันทิติกานิพานอันที่หนึ่งก็คือปฐมฌานนี่น อ <i> อืนนืมก็ <i> ต้องตรวจตรวจฌานที่ผู้เจ้าบอกไงว่าว่าเป็นฌานขั้นใด <i> พอไปบอกนิพพานชั่วคราวคนคิดว่านิพพานคือนิพพานจริงๆแล้วได้ชั่วคราวมันไม่ใช่ไงอพอภาษาไทยปุ๊บมันแปลงสารผิดกันไปเลยอย่างนี้อัตมาจึงบอกว่าอย่า <i> ไม่อยากให้ใช้คานั้ น, <i> น, นอา่าอืมอ <i> ืออืมอืมอืมออืออือืออออ การนั่งสมาธินะเจ้าค่ะอืทีนี้ไปเคยถามพายจานว่าโยงติดสุขกนะเจ้าคะ่ ะ, ะ <c oughs> ก็มันอยู่ที่จิตของเราตอนนั้นว่าเราเพลินและพอใจตรงนั้นหรือเปล่าแต่ถึงจะติดสุกผู้เจ้าก็บอกเป็นสุขที่ไม่ควรกลัว ต, ติดตไปก่อ น, ท, นทำมากาจเจริญมากได้ติดสุกเลยจะไม่ถึงกับการที่จะหลุดพ้นเจ้าค่ะยมจะฟังผู้เจ้าหรือฟังสาวบกแหละตอนนั้นยังไม่ทราบเจ้าค่ะอ้าวยังไม่ทราบเหรอปฏิบัติแนี้ต้องฟังพระพุทธเจ้า ก็เลยพิ่งจะเริ่มมาปฏิบัติที่นี่เจ้าทานแต่ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็คือทุกครั้งก็จะนั่งนานๆก็กลัวว่าตัวเองเอ๊ะติดสุขโยมก็วางความเห็นสาวกไปก่อนเสียอย่าไปเงี่ยหูลงฟังในคําสาวกโยมต้องมาฟังพระศาสดาในเมื่อพระศาสดาบอกธรรมมากเจริญมากชื่อว่าลาดเอียงน้มเอียงเทียงไปสู่นิพพานโยมก็ธรรมากเจริญมากได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้เจ้าก็บอกอย่าตั้งสยบอยู่ในภายในคือต้องตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าต่อไปก็แค่นั้นเองนะ ไปฟังเขามันก็เลยกลัวเหอสมาธิก็เลยไม่ทาเลยใช่การการติดสุขไม่ใช่ไม่ทำต้องทำไม่ใช่ไม่ทำแต่ต้องเห็นการเกิดดับต่อไปเนี่ยคำสาวกมันทำให้เกิดความไข้เขวนะแล้วทำให้คนสับสนน่ะคิดว่าเออสมาธิไม่ต้องทำหรืออย่าไปทำเดี๋ยวติดอย่างเนี้ยซึ่งมันสอนขัดกับผู้เจ้าเลยผู้เจ้าบอกต้องทำมากเจริญมากอย่างนั้นผู้เจ้าก็สอนผิดอย่างเนี้ยใช่ไห พระสูตรขัดกันไม่ได้โยมคําสอนขัดกันไม่ได้เข้าใจไหมใชแล้วคะ่ะวิธีบอกโทษของสมาธิผู้เจ้าจะละมัดระวังมากเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทํามากจเจริญมากแต่ทํายังไงจะชี้ให้เขาเห็นโทษผู้เจ้าจะพูดอย่างนี้เช่นพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกจากว่ามันดับไปได้เห็นนะพอยมฟังโยมก็เอออุเบกขามีประโยชน์โยมก็ทําได้แต่มันดับไปได้นั่นคือโยมต้องมีนัยยะที่ลึกว่าอ๋อมันเป็นสังคตะ มันยังไม่ใช่นิพพานโยมก็จะปล่อยวางอีกทีหนึง่งหรือผู้พระเจ้าจะบอกว่าเออถึงเธอจะได้สมาธิขั้นไหนนะเธอยังไม่ได้อยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกล้าวนะถ้าเธอได้ชั้นหนึ่งถึงสี่เธออยู่อยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข อ, อ่ะอย่างน้อยโยมก็เออเรามีวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขก็ยังดีใช่ไหม อ, อ่ามันก็ยังทําได้ไงอ่าแต่อายังไม่ได้ขูดเกลานะเออแล้วขูดเกล้าจะทํายังไงโยมก็หาอะไรเพิ่มทําต่อไปอย่างนี้ต่างหาก เห็นไหมเวลาผู้เจ้าพูดเนี่ยเรื่องสมาธิจะระวังมากแต่สาวกมันพูดชุ่ยไงบอกเอ้ยอย่าไปทําติดสุขแล้วไอ้นี่เลยกลัวหมอเลยก็เลยไม่ทํานี่มันเป็นอย่างนี้อาจจะมาฟังมายี่สิบสามสิบปีแล้วทำแต่ไม่กล้าทอยาติดสุขนะนั้นผู้เจ้าบอกกับคำสาวกจริงอย่าไปเงี่ยหูลงฟังไงถ้าเขาพูดเองแต่งเองอย่าไปฟังยมต้องเอามาเทียบกับพุทธวจนะก่อนและถ้าขัดกับพุทธวจนะเขาน่าต้องเปลี่ยนคําสอนไม่ใช่ให้ผู้เจ้าเปลี่ยนคําสอนเข้าใจไหมอ่ามันสับสนไปกันใหญ่ ทีนี้ของของคุณแม่ยมจะสอนให้คุณแม่พุทธโธอยู่ตลอดค่ะเพราะเมื่อก่อนนี้ก็คือท่านก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเดินไม่ได้ก็จะสอนอาลูกประคให้นับนับนับเรื่อยๆแล้วก็ให้ภาวนาจิตพุทโธค่ะแต่ท่านก็ก็บอกว่าถึงเวลาถ้าจะตายท่านจะนึกถึงพุทโธค่ะที่สอนทีนี้เห็นก็อยู่ที่ท่านเชื่อใครแหละเพราะท่านไปเชื่อใครเพราะว่าท่านคิดเองหรือเปล่าอยู่ๆแวะมาก็รู้จักพุทโธเลยหรือไม่ใช่ เพราะมีคนไปสอน <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่งถามว่าถ้าท่านไปอยู่ในครั้งพุฏิกาลท่านจะได้ยินมรรกวิถีนี่ไหมไม่มีเพราะพระพุทธไม่เคยสอนชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อพุทธะหรือพุทโธเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าไม่รู้ก่อนคนแรกว่ามันคือมรรกวิถีที่ดีที่สุด <c oughs> แล้วทําไมพรุทธเจ้าไม่สอนคนแรกใช่ไหมไม่สอนมาครั้งแรกเลยเอ้ยสารีบุตรท่องชื่อพระุทธเจ้าไปพุทโธใช่ไหมท่องธรมโมท่องสังโฆไปถามว่าคนที่สอนพุทโธ เขาบอกว่าเป็นพุทธานุสติเราไปดูพระสูตรพุทธานุสติไม่ได้เป็นการสอนให้คนนั่มานั่งท่องชื่อผู้เจ้าแต่เป็นการให้ระลึกถึงพระคุณของผู้เจ้าให้ระลึกถึงว่าผู้เจ้าเนี่ยเกิดมาจริงจัสสลูจริงนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้สามารถฝึกบรัรลุดที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายมดูพุทธวจนะสินะความลึกซึ้งอะ่ะถ้าโยมให้ฝรั่งนั่งท่องพุโทโธฝรั่งมันรู้ไหมไม่รู้มันก็ท่องไป แล้วเขามีความทราบซึ้งแล้พุทโธคืออะไรไม่รู้ก็ไปนั่งท่องคําคํานึงอาตมาให้โยมนั่งท่องกระโถนอ่ะโยมท่องกระโถนไป <c oughs> กระโถนกระโถนนะอย่างเนี้ยโยมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรกระโถนคืออะไรใช่ไหมไม่ต่างกันเนียกะจิตตสังขารจิตตสังขารก็ปรุงแต่งคําพูดไปผู้เจ้าสอนให้หยุดจิตตสังขารทําจิตตสังขารให้ลํางับต้องหยุดการพูดในใจใช่ไหมมันขัดต้องหลายอันนะโยม ใช่ไแล้วที่แน่ๆคือผู้เจ้าไม่มีบอกเอาไม่มีบอกก็ตัดไปคนนี้แต่งเกินขึ้นมาเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองพุทธรจนะก็บอกอยู่แล้วนี่คือความเสื่อมความอันตรธานของคำของตถาคตเขาใจไมสาวกรอบรู้ไหมไม่รอบรู้นะอะนั้นถ้าสาวกเนี่ยเขาทราบพุทธจานะบทนี้เขาจะกล้าแต่งใ ห, หม่ไหยเขาจะไม่กล้าแต่เป็นเพราะเขาไม่รู้ เมื่อเขาไม่รู้เนี่ยผู้เจ้าบอกสาวกที่ไม่รู้คําศาสดาเวลาบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวใช่ท่านสอนสิบเรื่องท่านผิดสองเรื่องยมก็โยนให้สองเรื่องนั้นออกสิเอาแปดเรื่องที่ท่านสอนถูกดําลงไว้ก็แค่นั้นเองใช่มหมอา่าอะไรที่สอนเกินผู้เจ้าสอนตกหล่นไปยมก็ละทิ้งไปแค่นั้นเองใช่มชอืมสาวกไม่ได้เนี๊ยบหมดเนี่ยอนะอืมอย่างนี้ต้องฝึกคุณแม่หายใจ ฝึกลมหายใจใหม่ก็ฝึกตามพู้เจ้าเนี่ยเอาพุทธวจนะไปให้ท่านอ่านใช่ไหมอ่านหนังสือไม่ได้ก็อ่านให้นั่งฟังให้นะอ่านให้เลยให้ท่านนั s> <S <t <t um ่งนั่งฟังเอาซีดีเปิดให้ฟังอย่างนี้อืถ้าเราไม่กล้าที่จะพูดคําพระศัสดาและยืนยันในความถูกต้องศัสดานะโยมคําสาวกก็ยังยืนตัวอยู่อย่างนี้ จะทำยังไงเยอะใช่ไหมคำสาวกยันกับคำศาสดาอยู่อย่างนี้นะคำศาสดาเนี่ยถูกติดโดยคําสาวกตัวเองใช่ไหมโยมคิดดูแล้วกันใช่ไหมอาตมาไม่ได้บอกว่ามัควิธิอาตมาถูกนะมัคคุติอาตมาไม่มีแต่ตมากําลังบอกว่าศาสดาถูกถูกยังไม่มีข้อผิดด้วยนะแล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบไว้เลยว่าพระอรหันต์ประเภทพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั่วไปเนี่ยต่างกันยังไงเห็นไหมอ่าอรหันต์แม้เธอจะหลุดพ้นด้วย ปัญญาเป็นปัญญาวรมุติเธอก็เป็นเพียงแค่ผู้เดินตามตถาคตเป็นมรคัญอยูรู้มรค ก, ก่อนเป็นมรควิถุรู้แจ้งในมรคเป็นมรคั้งโกวิทโเป็นผู้ฉลาดในมรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรคขานุ ข, ขาผู้เดินตามเท่านั้นรับแผนที่ไปเอาไปเดินตามเดินดีเดินเก่งถึงที่หมายเยี่ยมเป็นพระหรันโสดาสิกทาคานาคาแต่อย่ามาแก้แผนที่นะอ่าอย่ามาสร้างมรควิธีใหม่นะศาสดาเป็นคนบัญญัติ สาวกแปลว่าอะไรอย่งสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนนะถ้าบัญญัติอะไรใหม่ก็ต้องปรับตัวชื่อตัวเองเป็นศาสดาศาสดาเป็นคนบัญญัติปัญญัตินิรุตติคือภาษาด้วยศาสนีศาสนังคือคําพูดคําบอกที่พูดออกมาอย่างเป็นระบบคือการบัญญัติบัญญัตินิรุตติภาษาให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็เดินตามได้อย่างถูกต้องนี่คือศาสดาเข้าใจไหมอ่าอย่าไปทําหน้าที่ศาสดา แบ่งตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนปั๊บเนี um, ่ยโยมจะไม่คุ้ยเคลเลยแล้วยมจะไม่สับสนว่าเอ๊ะต้องฟังคำใครนะหรือคาคนนี้ดีหรือคนนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าโยมชัดเจนนี้มันจบง่ายเวลาเราสงสัยก็อ้ามาตรฐานพู้เจ้าพูดอย่างไงใช่ไหมก็กลับไปที่ตรงนั้นนะฮะ อ่าใช่ใช่ห้าปีแปดปีสิบปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ๆเนี่ยที่จะให้ละทิ้งหรือว่าให้ละไปโดยที่ไม่ได้เรียนหรือว่าได้อ่านอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างยากเพราะว่าขณะที่ขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังติดอ่ะนะอาตมาเนี่ยพุดโธรมาสิบกว่าปีอยู่ไม่เป็นสิเจ้าค่ะกว่าจะเริกเนี่ยเป็นปีมันติดแบบติดมันถอนไม่ได้อ่า กางทีเราลึกเอ้ยไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่มันก็ไปแล้วมันไปนู่นไปนี่ไปแบบนั้นท่องจนชินเลยอ่ะอีกหนึ่งคําถามคือจะทํายังไงถึงจะให้คือผู้ใหญ่ไปอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ท่านก็ให้มาว่าอวยพรให้อ่าให้ศัตรูกลายเป็นมิตรโอ้โหฟังแล้วพระอาจารย์มีความเสียใจโอ้โหศัตรูที่กลายเป็นมิตรเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นคำที่แบบ เราทำไม่ได้อ่ะเราคิดว่ า, เ, าเราทำไม่ได้แค่ฟังเราก็ชื่นชมโอ้ผู้ใหญ่ท่านคงจะเรียนเห็นอะไรตั้งามากมายแต่ว่าออืเร า, าเราเราใช้อย่างนี้ก็ได้ขนาดช้ให้ศัตรูกลายเป็นนิดนี้โอ้คือทำไม่ได้ ค, คือไม่ถึงจะต้องต้องอทำความรู้สึกอย่างนั้นแต่ทำความเฉยเฉยก็ได้โยมแค่วางจิตอุเบกขาตั้งมั่นเป็นสมาธิเดี๋ยวศัตรูก็มาเป็นมิตรของเขาเองนะแค่เรานิ่งนะแค่เรานิ่ง แต่ยัไม่ต้องยังไม่ต้องมีเมตตาไม่ต้องอะไรก็ได้เฉยๆคืออุเบกขาไหนะในในในในบทในในในบทพุทธวตชนะอาจจะมีคําว่าอาจจะมีคําว่าอ อ, อะไรนะความนิ่งคือการสยบหรือความนิ่งคือการสงบหรื อ, อ, อสงบ ส, สยบทุกสิ่งทุกอย่าง อ, อคือถ้าเรานิ่งเฉยเ อ, อจะฟังมาทั้งอะไรก็ดีทั้งไม่ดีทั้งอะไรอย่างเนี้ย แต่ใจเรามันมันไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะออมันไปอะ่ะคือฟังแล้วมันก็มันจับแล้วมันก็โกรธมีความาสุขโอ้โหเอ๊ะ ก, ก็ก็คือหาทางแก้ต่อไปเพราะพระเจ้าบอกเลยว่าอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างว่าถ้ามีคนมาตำหนิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธออย่าพึ่งไม่พอใจอันตรายจะเกิดขึ้นแก่เธอพูะเจ้าบอกต้องนิ่งไว้ก่อนตั้งใจฟังให้ดีนะว่าเขาพูดอะไร แล้วค่อยๆแก้ไปเพราะนั้นอันดับแรกเราต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนต้องนิ่งแล้วก็ฟังดูเหตุการณ์ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละถึงจะเกิดปัญญาแก้ไขได้แต่ถ้าโยงมไปไม่พอใจหรือเกิดอารมณ์ปั๊บเนี่ยมันจะบทบังปัญญาละนิวรณห้ามันเข้าครอบงำปัญญาที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันจะดรอลงไปเลยเข้าใจไหมมันนิ่งอะ่ะเวิร์คสุด<ม>นะ<ม> โยมจะมีปัญญาเอาชนะเขาได้เข้าใจไหมอ่า <laughs> แล้วบางทีเอาชนะแบบไม่เบียดเบียนนะไม่ต้องเบียดเบียนค่ะใช้หลบเอา <laughs> นะอ่าเหมือนไปไปศึกษาไอไอวิชาต่อสู้ป้องกันตัวของญี่ปุ่นที่เรียกไอจิโดะโยมมันใช้หลบเอาตลอดเลยนะหลบหลบหลบหลบอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้ อ, อ่าเนี่ย <laughs> <laughs> เรียนรู้การหลบให้ดีก <laughs> ล่าบนมั ส, สการพระอาจารย์ค่ะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องจิตะคะ uh huh. เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่มาฟังทำบรรยายที่ว่าจิตในตัวเราเนี่ยที ท, ท, ทีมีหลายดวงื่อคือไปนั่งปฏิบัติแล้วก็เกิดคำถามนะขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นละคะในเมื่อเราคิดว่า อก่อนที่จะจุดติต้องมีดวงวิญญาหรืออะไรอย่างนี้มาใช่ไหมคะที่จะมาเกิดความอยากที่จะจุดติพอใจปรุงพอใจในการจุดติเออะไรอย่างนี้เราคิดว่าเอที่ที่สับสนก็คือจิตจะมีหลายดวงได้ยังไงคะในในตัวเราเราคิดว่าแค่ดวงเดียวแล้วก็เป็นเพราะเอจิตไปจับกับเอ อายตนะต่างๆหรือว่ารวมกว่าตรงนี้นะกว่าตมาจะเข้าใจก็หลายหลายปีนะนั่นน่ะสิค่ะเป็นสิบปีนะเพราะฉนั้นโยไม่เข้าใจนะตมาไม่สงสัยหรอกเพราะตัวเองก็งงมานานเหมือนกันใช่ไหมอ่านก็ไม่เข้าใจนะเนั้นกว่าเราจะเข้าใจได้เนี่ยแต่ก่อนให้ดูเกิดดาบของจิตไม่รู้เรื่องฉันจะอสุภะอย่างเดียวอตะมาเนี่ยเริ่มจากอสุภะเลยพินากายผมผนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยพินาไปเถอะดูแต่อย่างเนี้ย เขาบอกให้ทิ้งความคิดทิ้งไม่เป็นทิ้งบ้าความคิดเร็วจะตายใครจะไปทิ้งได้เราก็ปฏิเสธเขาไอ้นี่มั่วแล้วนะทําไม่ได้หรอกต้องพิณากายถึงจะหลุดพ้นใช่ไหมเราก็พิณากายอย่างเดียวพอพิณากายไปทําไปทํามาปุ๊บมันก็ทําได้ดีขึ้นไวขึ้นโกรธมาโมโหมาก็พิณากายอย่างเดียวต่อไปพิณาแป๊บเดียวมันดับแล้วพิณาแป๊บเดียวมันดับปุ๊บมนเริ่มขยับขึ้นไปว่าเอ๊ะทํายังไงจะดับได้เร็วกว่านี้เออมันสุดมันดีขึ้น เราก็มาเอ๊ถ้ายังพิาณาอยู่แล้วตายไปในขณะนั้นทํำยังไงใช่ไหม <c oughs> เราก็เลยมาเริ่มคิดว่าเออถ้าโกรธมาเนี่ยเราไม่ต้องพิณากาย <c oughs> ก็มาพิณาความโกรธว่าเกิดขึ้นดับไปไม่ได้เหรอ <c oughs> พอมาลองทําเออมันก็ได้นี่นะมันเร็วดีอะ <c oughs> เริ่มมาจับเวทนาแล้วเห็นไหม <c oughs> จับโกรธพอใจไม่พอใจปับ๊บเอาอันนี้จังพิณาไปพิณาไปมันก็ดับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บไปต้องทําอย่างนี้อยู่เป็นปีจ น, จนจิตเริ่มนิ่งๆ <c oughs> พอจิตเริ่มนิ่งๆเอ๊ะมันยังมีโผล่ดีใจ เสียใจทั้งๆทีเ่เราจ้องดูอยู่ปับ๊บนาะเวลาหนึ่งเราสังเกตว่าเราดีใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งโอ้มันปรุงก่อนนิดนึงนะโอ้มีความคิดมาก่อนนี่ก่อนมาะนี่ดูสิกี่ปีกว่าจะเห็นกว่าจะเห็นความคิดที่ปรุงมาแล้วทําให้เกิดพอใจไม่พอใจใช่ไหมย่ากนั้นเราก็ไปจัดการกับความคิดเอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าความคิดไม่เกิดพอใจไม่พอใจจะเกิดได้อย่างไงเราก็ตั้งสันนิษฐานเลยปับ๊บไปจัดการความคิดอีกระหว่างเนี้ยสติถูกฝึกมาเรื่อยๆ นะจนกระทั่งทันความคิดแต่ก่อนบอกไม่มีทางทันความคิดตัวเองก็เปลี่ยน<ช>เห็นไหมใช่างนั้นพอมาจัดการความคิด <c oughs> ก็คอยตัดความคิดละตัดตัดตัดไปเรื่อยๆอีกกี่ปีใช่ไหมตัดความคิดอยู่หลายปีเสร็จแล้วมันเร็วขึ้นดีขึ้นความคิดกระทบมาปับป๊บดับปั๊บดับปั๊บดับต่อไปณขณะหนึ่งที่ความคิดไม่มีเอ๊ะแล้วมันรู้อยู่กันล่ะโอ้มันอยู่กับกายปับ๊บทีนี้เห็นเลยว่าโอ้ความคิด จิตเนี่ยมันวนอยู่ใน4ี่ธาตุแยกความคิดกับจิตออกได้ว่าเฮ้ยเวลาที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นจิตผู้รู้เนี่ยไปรู้ความคิดเห็นผู้รู้ที่มันตั้งอยู่ในกายเฉยเฉเป็นผู้รู้นิ่งๆิอ๋อไอ้ตัวนี้เองนี่ยที่มันไปหยิบความคิดความจําขึ้นมาเฮ้ยอย่างนี้เราไปตัดความคิดกี่ร้อยปีก็ไม่มีหมดเพราะจิตเราเองเป็นคนไปหยิบมันทีแรกเรานึกความคิดมันเป็นผีบ้าโผล่ขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยใช่ไหเราก็เขะโผลมันปุ๊งไปดับไปตัดไปจริงๆใจเราเนี่ยไป ไม่มีทางตัดหมดเลย <c oughs> อย่างนี้นั่นแหละโยมถึงจะเห็นจิตแล้วยมถึงจะเห็นจิตเกิดดับหรือเปลี่ยนแปลงกี่ปีอ่ะ <c oughs> กี่ขั้นตอน <c oughs> เห็นนะนี่ถ้าทำทำไล่ไปอย่างเนี้ยแล้วสรุปแล้วพอเรามองย้อนมาแต่ก่อนไม่รู้กายเวทนาจิตทำทำไปทำมามันเป็นกายเวทนาจิตธรรมของมันเอง <c oughs> ใช่หมเพราะเราอะไรเราไม่ต้องการความเน่นชา้าเราอยากเฮ้เร็เวกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหม ไอ้ความที่เราตะกายไปเนี่ยทําให้มันเห็นตัวละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเข้า <Okay. S 1> ใจ <Okay. S 1> อืมนี้พอมาเห็นจิตทีนี้ก็เลยเฝ้าดูการเกิดดับของจิตเนี่ยใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าก็ต้องตอกย้าตรงนี้ทีนี้สมมุติว่าคนเดินมาร์กมาตรงนี้เอ้าแล้วในเมื่อจิตเป็นตัวการทั้งหมดเราจะจัดการกับมันยังไงมันเป็นผู้รู้นิ่งๆนะจะไปพิณาก็เท่ากับไปคิดอีกแล้วผิดอีกแล้วอืมนะไปใช้งานจิตอีกแล้ว ก็เลยต้องกลายเป็นกลับมารู้ลมนิ่ ง, งๆเฉยๆขยับไม่ได้เลยคอยดูว่าจิตผู้รู้ลมเนี่ยดับปับ๊บออจิตดับก็ตอกย้ําอยู่อย่างเนี้ยจิตรู้ดมดับดับเกิดดับเกิ ด, ด, ด, ดไม่ต้องไปสนใจตัวใดสนใจจิตตัวเดียวเห็นไนะกว่าจะเข้าใจเล่นกันสนานผลที่สุดก็กลับมาทําเหมือนเดิมคือนั่งรู้ลมหายใจเหมือนเดิมเหมือนนั่ง ท, ทําทีแรกถูกอหมโง่วิ่งทําต้องนานนะานาใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย แต่พอมาอธิบายยมฟังแล้วเฮ้ยมันจะได้ยังไงมันง่ายไปมั่งมันจะหลุดพ้นยังไงมันก็จะสงสัย อ, อย่างเงี้ยเมื <laughs> ่อไหร่การบ้านเรียนนิ่งแหละแล้วในสติสติปัฏฐานเสครับออืตอนที่จิตจิตตารุ้มาปรินาครับเที่ยวเมื่อเมื่อจิตมีราคะเราก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตมีโทสะเราก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตมีโมหะเราก็รู้ว่าจิตมีโมหะ เจิตเราฟุ้าเราว่าจิตเราฟ้งฟาถ้าอย่างนี้คือเราไปเห็นว่ามันเกิดดับนะครับแล้วก็เราจิตฟว้งเราความโกรธไม่ใช่เราเวลาฆ่ามันมันไม่ใช่เราอพอเรามองไปสักพักเนี่ยเราก็ดึงดึงกลับมาเหมือนกับว่าเราจะไม่พยายามไม่ไม่ไม่ไปสนใจแต่เราก็จะไม่ไม่ไปทุกกับกับกับกับสิ่งนั้นเนะครับโดยว่าถ้ามีมูลผู้หญิงเนี่ย เมือ่อมีราคาเกิดขึ้นเดี๋มรู้รู้ว่าตอนนี้มีราคาเกิดขึ้นเราดึงดึงกลับมาใช่ไครับก็คือว่าอ่าที่ฐานรูร้ลงเนี่ยก็คือที่เป็นฐานกายครับแล้วก็เวทนาเนี่ยคือฝกทุกข์แล้วก็เบิกขาแต่ว่าถ้าเกิดฐานจิตเนี่ยคือเราเข้ามองดู ว, ว่าความกลัเรามีหรือเปล่าอืแล้วก็สมมั่นว่าถ้าเกิดว่าอย่างพระอหันต์เขาจะไม่มีไม่มีราคาเลยครับไม่มีทูตระไม่มีโมหะ หรือว่าพระรเนี่ยท่านท่นานไปไปรู้ทันอย่างเดียวมีแต่รู้ทันทุกขนาดจิตอ๋อคือพระรเนี่ยมีหมดอาการจิตมันาาเดิมอาการจิตก็คือมันเดินโทษโทจิตจิตมันไม่ใช่เราอย่างใช่ใช่เวลายงไปคิดอกุศลเนี่ยยงไปคิดเฮ้ยฉันคิดอกุศลแล้คือผิดตั้งแต่คิดว่าจิตเป็นเราละแต่พระหลาน ร, รู้ตั้งแต่จิตดวงแรกว่าไม่ใช่ท่านจิตไปคิดอกุศลก็เรื่องของมันจิตมันทํางานของมันไม่เกี่ยวกับท่าน ก็คืปัญหาก็ว่าเราต้องพยายามวางวางวางว่าวางสิ่งนั้นให้ได้ครับแต่ว่ากำลังจิตเราต้องคล้ายๆเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคุณครับไม่ใช่เราใช่ไม่ใช่เราคิดต้องคิดอย่างที่ไม่ใช่เราคิดแล้วก็โยนมันทิ้งไปเลยนะทีนี้ไม่ใช่เราคิดนะต้องไม่ทาตามมันด้วยนะที่เราสอนเสร็จแล้วทําตามมันผมไม่ใช่เราคิด ทำไปเรียบร้อยแล้วอ่า ม, มีมีไหอีกสักสิบนาทีก็ได้อางนั้นอีกสิบนาทีนี่นั่งสมาธิไหมอ่านั่งสมาธินะ สมาธิกันสักพักนึงนะรู้ลมหายใจเข้าออก <c oughs> Mm-hmm. ก่อนออกจากสมาธิก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย จากนั้นก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิมาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาถวายทานรักษาศีลทาสมาธิภาวนากันก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเราได้เจริญก้าวหน้าในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดบางสิ่งใดให้สาเร็จสมความปรารถนาที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นธรมรมสาเด็จมรรคผลนิพพาน ในนาขกอตการอันใกล้โดยทั่หน้ากันทุกท่านทุกคนเตือน